จอมพรานบอกมาเบาๆด้วยเสียงปกติหมู่บ้านร้างดารินกับพี่ชายอุทานออกมาพร้อมกันลืมตากว้างอันอัศจรรย์ใจขี่สุดครับไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนี่คุณแน่ใจด้วยหญิงสาร้องเสียงสูงมาเร็วปือขมวดคิ้วถ้าผมคนเดียวก็สงสัยว่าตาจะฝาดไปนี่มีสายตาของคุณชายยานด้วยอีกครู่หนึ่งครับ หรือถ้าคุณหญิงยังไม่เชื่อจะไปดูให้เห็นกับตาก็ได้ไม่มีมนุษย์เหลืออยู่เลยสักคนมีแต่ซากศพตายคาบ้านเกลื่อนคุณพระช่วยดาลินหน้าเปลี่ยนสีมือทั้งสองกลมอยู่บน อ, อกหันไปจ้องหน้าพี่ชายได้มองไปที่ชายยันอย่างงงงันไปหมดเชษดฐานหน้าขรึมลงในบัตรนั้นถามมาโดยเร็วเกิดอะไรขึ้นเดาถูกไหมสงสัยจะอิวาระบาดครับลงเล่นงานทั้งหมู่บ้านเลย ที่เหลือตายก็คงมีบ้างแต่พระย้ายทินหนีไปอย่างกระทันหันทิ้งหมู่บ้านไปเลยเหลือศพที่ปล่อยไว้เลอะเทอะไปหมดแต่ว่าล้างเลยเหรอหัวหน้าคณะถามย้ำมาอีกครั้งเหมือนจะไม่แน่ใจไม่มีเหลือแม้แต่สัตว์เลี้ยงสักตัวครับความเงียบปกคลุมภายในเต็นท์นั้นเชษฐาหันไปมองดูหน้าน้องสาวกับพิปตาทีๆแล้วเปลี่ยนไปที่ชยันอีกครั้งก็เห็นสหายกรอกบลังดีเข้าปากอีกอืดใหญ่ ดาลินเอื้อมมืออันสั่นเทาไปหยิบบุหรี่ขึ้นมาคาบจุดอัดควันหนักนวงเข้าหน้าของด่อนสอความพิสวงประดาใจเหลือขนาดคลางออกมาเอ่ก็เมื่อตอนที่เราเดินเกวียนผ่านต่างทางยังได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในหมู่บ้านอยู่นี่มันจะท้างไปได้ยังไงชายหยันหันไปมองหน้าราพินเห็นไหมรพินผมบอกคุณแล้วน้อยก็ได้ยินแกละเชิา แกได้ยินเสียงคล้ายๆมีคนอยู่ในหมู่บ้านในโดงไผ่นะั่นหรือเปล่าเชษถาเม้มริมฝีปากบรรจุ ก, กล้องยาเส้นช้าๆอืมได้ยินแต่ก็ไม่แน่นะหูเราอาจฝาดไปก็ได้ในเมื่อพระเพียรก็ยืนยันอยู่ว่ามันเป็นหมู่บ้านร้างแล้วเสียงที่เราได้ยินเหมือนมีคนอยู่จะมาจากไหนแกล่ะไปดูมากับพระเพียรเห็นอย่างไงบ้างเห็นยังไงชา ย, ยันแค่นหัวเราะพูดเสียงป่าสอดมือกอดอกคอไหรลง ก็เห็นว่ามันมีแต่ผีดิบทั้งนั้นเน่ะสินอนเกลือนทีเดียวพูดแล้วยังขนลุกอยู่นี่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทั้งสองพี่น้องก็ได้รับทราบเรื่องราวทั้งหมดที่ทั้งสองไปพบเห็นมาอย่างละเอียดชายยันเล่าด้วยอาการขนพองสยองก้าวเขาเล่าแม้กระทั่งเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ละพินนำหลงทางย้อนกลับไปพบปากทางเข้าหมู่บ้านนั้นอีกครั้งภายหลังจากที่ได้พากันออกมาแล้ว หัวหน้าคณะกับน้องสาวนั่งฟังด้วยอาการงงงันและสอบซักไซด์โดยละเอียดเธอเคราะดีน่ะน้อยที่ไม่ข้ามตามไปด้วยเมื่อตะกี้ไม่งั้นคงแทบช็อกทีเดียวถ้าไปพบกับสิ่งที่ชั้นและลพินพบมาชายันบอกอย่างนั่งบ่นกับน้อยอยู่หยกนี้เองว่าทำไมถึงไปกันนานนักระยะทางก็แค่นี้เองเชษฐากล่าวเสียงเครียด ชายยันก็บุยปากไปทางพรานใหญ่ผู้นั่งสงบอยู่ถามยอดชายก็ดูเองเถอะว่ามันเป็นยังไงพอจะคเนถูกไม่ว่ามันร้างมานานสักเท่าไหร่แล้วดารินถามเสียงสัน่นผมกะว่าคงประมาณสักเดือนเศษมาแล้วโธออนาดหรือเกินหญิงสาวคลางห่อไหลลงอย่างสยดสยองใช่แล้วคงจะอหิวา น, นั่นแหละ แล้วนี่เราจะทำยังไงบรรยากาศมันไม่ดีเสียแล้วก็คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้เราก็ไปแล้วพี่ชายบอกต่ำๆสีหน้าอาการของหัวหน้าคณะก็ไม่ปลอดโปรงใจนักเมื่อรู้ข่าวหลังจากนิ่งกันไปคู่หนึ่งแล้วผินก็บอกมาแผ่วเบา ว, ว่าผมต้องเรียนให้ทราบสิก่อนว่าเราจะต้องปิดข่าวนี้เป็นความรับอย่าแพร่งภัยพวกลูกหาบทั้งหมดรู้เป็นอันขาดว่า หมู่บ้านผู้เตยมีการตายด้วยโรคระบาดและกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วไม่งั้นคืนนี้โอดระเวงแน่เกี่ยวกับขวัญและกำลังใจของคนของเราพวกนี้อย่างอื่นพอทำนาแต่เรื่องพูดผีปีศาจแล้วปอบกันยังไงก็ไม่มีทางเอาไว้อยู่พวกกะเหลียงกลัวผีที่สุดในโลกถ้ารู้ว่าถ้ารู้เป็นเพ่นหมดแล้วมีพวกลูกหาบคนใดรู้บ้างหรือเปล่ายังไม่มีใครรู้เลยครับแม้แต่พรานของผม ถ้างั้นดีแล้วรู้กันเองเฉพาะพวกเราก็แล้วกันอย่าให้ข่าวกระตุกกระตากออกไปหัวหน้าคณะผู้พิการชั่วขณะสั่งกําชับมาดาดิานหันไปทางพี่ชายเราจะปิดคนเหล่านี้ได้มิชิดอย่างไรคะถึงไม่รู้ในคืนนี้พรุ่งนี้เขาก็จะต้องรู้กันหมดพรุ่งนี้เป็นเวลากลางวันครับผานใหญ่เป็นผู้ตอบหลอนมาและเราก็ออกเดินทางจากที่นี่เป็นแล้วถึงจะรู้ก็ไม่เป็นไร เขาเพียงอยาให้รู้กันคืนนี้เท่านั้นพวกนี้รู้จักและคุ้นเคยกันดีกับกะเหลี่ยงพุทเตยแทบทุกคนรู้ดีด้วยว่าระยะที่เราตั้งแคมป์กันอยู่นี่ความจริงมันก็เป็นเขตของหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองถ้ารู้เสียเดี๋ยวนี้ว่าพวกพุทเตยตายกันหมดทั้งหมู่บ้านมีแต่ศพเกลื่อนกาดเขาก็จะหวาดกลัวกันมากที่สุดไม่เป็นอันทำอะไรตลอดทั้งคืนดีไม่ดีพาการละสัมรสายลบเล้าให้เราเคลื่อนย้ายแคมป์เสียเดี๋ยวนี้ไม่ก็ผลักหนีกันหมด พานของผมสี่คนนะ่ะรับรองว่าไม่เป็นไรหรอกสำคัญพวกลูกหาบพวกนี้นี่กลัวในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเลยนะม่น่าละถึงไม่ยอมตามเราไปเทือยข่าวพระิวะด้วยทั้งๆที่เราให้ค่าจ้างอย่างดีที่สุดดาลินบนชา ย, ยันก็หันขวับไปจ้องหน้าแล้วก็ซิปมาเบาที่สุดน้อยอย่าทำพูดดีไปไอ้สิ่งที่มนุษย์เจริญแล้วอย่างเราเรียกว่าไม่มีเหตุผลนี่แหละ มันทำเอาเราจะแย่มาหลายครั้งแล้วถ้าอยู่ในภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมและเวลาอันเหมาะเจาะสอดคล้องของมันเข้าเดี๋ยวนี้ฉันรับสารภาพว่าไม่กล้าประมาทสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะโดนเข้าเองจังๆมาหลายทีแล้วเธอเองก็ลืมเสียแล้วหรือนักมนุษยวิทยานิ่งยิ้มออกมาฝืนๆเชษฐาก็ตัดบทมาว่าเอาละกินข้าวกันเถอะทั้งสี่ร่วมรับประทานอาหารกันเงียบๆ และกินกันได้น้อยปิดไปกว่าทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายยานไม่ยอมแตะต้องอาหารอันเป็นเนื้อแห้งย่างที่เคยโตรดปานเลยแม้แต่คําเดียวเพราะจําภาพศพตายสร้างอันน่าสะอิดสะเอียนได้อย่างติดตาซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับเนื้อแห้งมากในความรู้สึกอันเต็มไปด้วยอุปทานของเขายามนี้เชษฐาดาลินก็พลอยอิ่มเร็วตามไปด้วยเพราะความรู้สึกบางอย่างที่ทําให้ไม่ปลอดโปร่งใจนักคงมีแต่ระพินคนเดียวเท่านั้น ที่ไม่มีอะไรผิดปกติเว้นแต่จะเคร่งผึมไปบางทีจะเป็นเพราะฝ่ายนายจ้างไม่มีใครพูดคุยจึงทำให้เขาพูดซึ่งเป็นคนพูดน้อยอยู่ก่อนแล้วพลอยเงียบงันไปด้วยดื่มกาแฟหลังอาหารปิ้งถ้วยเดียวพานใหญ่ก็เตือนให้คณะนายจ้า ง, งเขาเข้านอนแต่หัวค่าเพื่อเอาแรงไว้สำหรับการเดินทางพรุ่งนี้ตนเองกลับออกมานอกกระโจมแล้วก็ประจันกับร่างสูงใหญ่ของแง่ทรายา ย, ยืนขวางอยู่เบื้องหน้า แววตาอันมีประกายากจะอย่างนั้นจับนิ่งประสานมาที่เขาพร้อมกับริมฝีปากที่เปิดยิ้มน้อยๆแม้จะไม่เอ่ยคำใดแต่รอยยิ้มและแววตาชนิดนั้นพูดความกับเขามากเสียกว่าที่จะเอ่ยออกมาเป็นถ้อยคาซึ่งคนอย่างรัฐเพีก็อ่านออกเขามองตาเจ้าคนใช้ชาวดงและนิ่งอยู่เช่นนั้นเป็นครู่ใหญ่จึงก้าวเดินออกจากที่แง่ทรายก็ถอยหลบหลีกทางให้แต่แล้วทันทีนั่นเอง ก่อนที่จะผ่านพ้นหน้าของแง่ทรายไปก็หยุดชะงักลงกล่าวขึ้นด้วยเสียงกระซิบที่ได้ยินเฉพาะสองต่อสองสมมุติว่าแกจะรู้แล้วว่าหมู่บ้านผู้เตยร้างไปหมดก็จงเย็บปากของแกเสียอย่าพูดกับใครทั้งสิน้นยิ้มนั้นสยายกว้างออกไปผู้กองทราบดีอยู่แล้วปากของแง่ทรายย่อมเย็บสนิทเสมอคาตอบชนิดนั้น อันที่จริงก็ควรจะให้ความพอใจแก่เขาที่สุดแล้วแต่ทันทีที่ได้ยินรัพินภัยวันเดือดปุ ด, ปดอยู่ภายในอย่างหาเหตุผลแน่นอนไม่ได้ถูกแล้วปากของเจ้าแง่ายเย็บสนิทเสมอไม่จำเป็นที่เขาต้องเตือนหรือขอร้องเลยมันสนิทเสียจนกระทั่งบางขณะเขาเองนั่นแหละต้องง้างออกจอมพรานหัวเราหึห่ย อ, อยู่ในลาคอพอขยับตัวจะพระไปก็ต้องชะงักอีกครั้งแต่ผู้กองครับ ทำไมแงาสายหัวเราะดิสส์เนียงประหลาดเงยหน้าขึ้นมองดูพระจันท์ข้างแรมอันซีสรัวที่กำลังโผล่ขอบรูปเคียวขึ้นมาเหนือทิวเขาเสียงหมาป่าหอนเย็นมาเป็นสายถ้าผมเป็นผู้กองผมปิดข่าวไม่ให้พวกลูกหาปรู้ก็จริงแต่จะต้องบอกให้พรานอีกสี่คนรับรู้ไว้ด้วยเพื่ออะไรกันแล้วมันจะเป็นอะไรนักเที่ยวหรือแล้วผินกระชากเสียงถามห้วน แง่ท า, ายไม่ตอบเพียงแต่หัวเราะเอือยเอือย อ, อ, อยู่ในอาการเดิมตาจับนิ่งอยู่ที่เดือนแรมดวงนั้นระพินสะบัดหน้าเดินผ่ไปยังหงุดหิดแวบหนึ่งของอนุสติที่ผ่านเข้ามาอย่างกระทันหันขณะที่เอ็นตัวลงนอนคำพูดของแง่ท า, ายแววอยู่ในหูของเขาและอะไรชนิดหนึ่งก็เข้ามาเตือนว่าเขากวรจะเรียกพลานทั้งสเข้ามากระซิบบอกให้รู้ความจริงเสีย ซึ่งนี่ก็เป็นความตั้งใจไว้แต่แรกด้วยทว่าแต่แล้วความง่วงระคนอ่อนเพลียสะกดเขาให้เขาพลอยหลับไปเสียก่อนที่จะทำอย่างที่คิดไว้ประมาณตีหนึ่งและพินพิกขยับตัวด้วยความหนาวเย็นที่ซ้านซึมเข้าไปทุกขุมขนการได้ยีบปรับในเวลาติดต่อกัน 3-4 มสี่ชั่วโมงทำให้ความง่วงบรรเทาไปบ้างสิ่งที่น่าราคาญอย่างยิ่งของเขาในขณะนี้ มันไม่เพียงแต่อากาศกลางดึกที่แสนจะทารุนเท่านั้นแต่มันเป็นเสียงหอนของหมาซึ่งดูเหมือนตั้งแต่เหยียบย่างเข้ามาในเขตผู้เตยไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะไม่ได้ยินเสียงของมันเลยขณะนั้นเดือนรูปเขียวสีแสดสรัวปรากฏอยู่ตรงช่องโบของกิ่งไม้สูงเหนือศีรษะและกำลังจะถูกกลืนเข้าไปในกลางกลุ่มเมฆดำแล้วผิวลุกขึ้นจุดบุรีสูงแล้วเดินเข้าไปนั่งผิงไออุ่นจากกองไฟใหญ่ที่ก่อไว้กลางลาน ขณะนี้มันเป็นยามของเกิดและลูกหาบคนหนึ่งซึ่งเข้ายามคู่กันทั้งสองนั่งห่อตัวอยู่ในผ้าหม่มสักงกด้วยความง่วงจอมพรานกวาดสายตาไปรอบบริเวณแคมป์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยไฟทุกกองคงลุกดีอยู่อันเกิดจากการดูแลของผู้อยู่ยามตามหน้าที่ไม่มีกองไหนหมอดดับไปเขากวาดตาไปทางพวกลูกหาบ ที่นอนเรียงรายกันอยู่ริมกองไฟอย่างไม่ตั้งใจแล้วก็กวาดมายังพวกพลานพื้นเมืองผู้ใจของเขาที่รวมกลุ่มกันนอนอยู่อีกฝั่งหนึ่งครั้นแล้วก็บังเกิดความสนเทใจเล็กน้อยใครสองคนนอนคุ้มโป ง, งอ่อัวอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งคือเกิดซึ่งในขณะนี้นั่งสัปปงบอยู่ยามอีกคนหนึ่งหายไปพลานใหญ่ลุกขึ้นเดินไปที่ร่างอ น, นอนคุ้มโปงอยู่นั้นเลิกผ้าทางด้านศีรษะออกดู คนหนึ่งคือบุญคำอีกคนหนึ่งก็คือจันทั้งสองก็รู้สึกตัวในทันทีเมื่อเขาดึงผ้าปิดหน้าออกดูลุกพรวดพลาดขึ้นโดยเร็วมีอะไรหรือครับนายบุญคำกับจันร์ถามขึ้นเป็นเสียงเดียวรับพินขมวดคิ้วนิดหนึ่งสายหน้าเปล่า ว, ว่าแต่เยหายไปไหนทั้งคู่หน้าตื่นมองไปรอบๆจันตอบว่าเอไม่ทราบนี่ครับผมนอนหลับก็เมื่อตอนห้าทุ่มเป็นยามของไอ้เซย มันรับยามสองต่อจากผมหลังจากนั้นผมก็นอนผมนอนมาตั้งแต่หัวขําเพราะต้องตื่นรับยามสุดท้ายบุญคำเสริมมาทั้งนั้นเกิดก็รับยามต่อจากเสยพรานใหญ่ว่าทั้งสองพยักหน้ารับใช่ครับไอ้เซยแล้วก็ไอ้เกิดเขาลุกขึ้นเดินตรงมาที่เกิดผู้นั่งสับงกอยู่บุญคํากับจันไม่สนใจไรอีกลงนอนคุ้มโปรงต่อไป เกิดสะดุ้งตื่นจากผวังเมื่อเขาเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าลืมตาโพรงขึ้นพอมองเห็นพผานใหญ่ก็หัวเราะแหะ่ๆขยับเข้าไปดินกาแฟในการะพินใช้สายตาสำรวจรอบด้านอีกครั้งแง่าสายนอนคุมผ้าอยู่ปากทางเข้ากระโจมของนายจ้างริมกองไฟตามหน้าที่ทุกคนอยู่กันครบขาดหายไปแต่เสยคนเดียวในที่สุดขเขาก็หันมาทางเกิดอีกครั้ง ก้มลงลินกาแฟขึ้นมาจิบบ้างพร้อมกับถามตำต่ำว่าเสยหายไปไหนเกิดสีหน้ามีพิรุษบางสิ่งบางอย่างหัวเราะแหะๆอยู่เช่นนั้นยกมือขึ้นรูปหัวมองดูเขาอย่างเกรงเกรงพอถูกถามซ้ำก็อ้อมแอมมาว่าไอ้เสยมันย่องไปกับนางกะเลียงผู้เตยครับฝากยามผมไว้ตั้งแต่ห้าทุ่มกว่าความจริงยังไม่ถึงยามผมเลยแต่มันไปปลุกผมขึ้นมาให้ช่วยรับยามแทน สาวด้อมมารับมันถึงที่นี่บอกว่าจะกลับมาตอนใกล้ลุ่งรพินกำลังจะจิบกาแฟชะงักค้างอยู่แค่นั้นร้องลั่นออกมาฮะว่ายังไงนะพูดใหม่สิเกิดกับพิษตาปริบๆท่าทางใจไม่ดีเพราะนึกว่าตนเองสมคบกับเพื่อนปฏิบัติในสิ่งที่นอกเหนือคำสั่งซึ่งแม้จะไม่ใช่ตัวการแต่ในฐานะให้ความร่วมมือคงจะถูกพรานใหญ่ด่าไปด้วยนึกสาบแช่งเจ้าเสยเกก้วอยู่ในใจ แล้วก็ตัดสินใจสารภาพออกมาหมดด้วยอาการยิ้มแหย่ผมเตือนมาแล้วครับว่าอย่าแอบหนีไปเลยพรุ่งนี้ก็ได้พบเองมันก็ไม่เชื่ออียักษินอกอันนั่นแหละครับย่องมาชวนมันถึงที่นี่ป่า น, นี้ไอ้เสยไปนอนกอดดีนั่นอยู่ในเรือนกระเลียงสบายเฉิบไปแล้วยักษินลูกสาวตะผาเอิงนั่นน่ะเหรอเขาตะโกนออกมาอย่างลืมตัวแทบจะไม่เป็นภาษาครับ นางนั่นแหละไอ้เสยเขามีอะไรกับนางสิบห้ายกยกสบหย่อนหย่อนลูกสาวตะผาเอิงมาตั้งแต่คราวที่เรามาดักกระสู้กันสองเดือนก่อนนี้แล้วมันกำชับผมไว้หนักหนาไม่ให้ปากบอนฟ้องนายว่ามันอยากเป็นลูกเกยผาเอิงคืนนี้มันลงทุนกล่าบไหวผมพาออีนั่นมาให้ท่าถึงนี่ผมใจอ่อนก็เลยพลอยนิยำไปด้วยไม่นึกว่านายจะสงสัยตื่นขึ้นมาจับได้เฮ้แล้วเปลี่ยนไพรวันตาเหลือก ยืนตัวแข็งอยู่กับที่กาแฟหลุดจากมือโดยไม่รู้ตัวพอสติกลับคืนมาเขาก็กระชากเกิดขึ้นยืนถามระร่ำระละักเล่าให้ละเอียดสิเสยไปยังไงที่ว่ายักขินมาชวนนะ่ะแกเห็นอยู่ด้วยหรือเปล่าบอกเร็วผมไม่ทันเห็นยกขินหรอกครับเพราะหลับอยู่ไอ้เสยมันปลุกขึ้นนางคู่รักมันคงจะแอ บ, บอยู่หลังพุ่มไม้ไม่อยากให้ผมเห็นพอมันฝากยามผมเสร็จคว้าปืนได้ก็ย่องไปทางหลังพุ่มไม้นั่น ผมได้ยินแต่เสียงมันหัวเราะกันคิกคิคักๆแล้วก็เสียงเดินห่างกันออกไปทั้งหมู่บ้านใครเป็นคนยามคู่กับเซยเสียงของเขาก็หืดกระหอบอย่างระงับไว้ไม่ได้ไอ้ปงครับมันนอนหลับไปแล้วอยู่น่นน่เกิดชี้มือไปทางลูกหาบคนหนึ่งที่นอนหลับอยู่พิปตานั้นเองพรานใหญ่ก็กระโจนถึงตัวลูกหาบคนนั้นปลุกขึ้นมาอย่างกระทันหันทั้งทั้งที่ยังงวงเงยอยู่ระหว่างนี้เอง ชายยันผู้ต้งแต่เริ่มนอนมาไม่ได้หลับลงแม้แต่หยีบเดียวเพราะภาพของเหตุการณ์ในหมู่บ้านร้างคอยติดตามหลอกหลอนอยู่ได้ยินเสียงเอะอะของนพินก็ผุดลุกขึ้นอย่างสงสัยเชษฐาดาลินซึ่งถึงแม้จะหลับก็นอนวัยพลอยตื่นขึ้นมาด้วยเพราะเสียงลุกพวดพลาดของชายยันเกิดอะไรขึ้นเสียงเชษฐาร้องถามออกมาจากมุง้งเป็นเวลาเดียวกับชายยันกระโดดลงจากเตียงไม่รู้เหมือนกันฉันจะออกไปดูเอง ดาลินคว้าไรเฟิลกระโจมตามออกมาด้วยติดๆ ด, ด้วยนิสัยอันคล่องแคล่วว่องวไวประจำตัวทั้งสองพรวดออกมาจากกระโจมเป็นเวลาเดียวกับที่พรานใหญ่กําลังขยา่าคอซักถามเจ้าปงอันเป็นคู่ยามของเสย อ, อยู่ผมไม่รู้ไม่เห็นเลยครับนายผมนั่ ง, งโง่อยู่ได้พักเดียวตอนเริ่มเข้ายามพี่เสยเขาก็บอกให้ผมนอนเขาลับจะอยู่ยามคนเดียวผมก็เลยนอนอะไรแล้วพิน ชายยันร้องถามออกมาอย่างเล่าร้อนพรานใหญ่หันกวับมาเป็นครั้งแรกที่ทั้งชายยันและดาลินสังเกตเห็นใบหน้าของเขาขาวซีดตาเบลอโพรงอึกอักอยู่เป็นครู่ใหญ่ก็เพ่นเข้ามาคว้าแขนนายจ้างทั้งสองลากออกเดินให้ห่างพวกลูกขาบและพรานของเขาออกมากระซิบเ้าวร้อนเสยแอบหนีไปที่หมู่บ้านผู้เตยครับสอบด้วยความว่าระหว่างอยู่ยามมีผู้หญิงมาชวนเป็นลูกสาวของผาเอิงเฮ้ยชีบหายแล้ว ชัยยานร้องออกมาสุดเสียงรู้สึกเหมือนกับว่าเลือดในกายทุกหยดจับเป็นก้อนแข็งไปในทันทีนั้นบัดนี้ลูกหาบทุกคนที่กำลังนอนหลับอยู่ตื่นพวดพลาดกันขึ้นมาหมดเพราะเสียงเ อ, อะเหล่านั้นแต่ไม่มีใครเข้าใจความหมายว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากคือเข้ามารวมกลุ่มซักถามกันจักแจกแล้วก็พอจะรู้เหล่าๆแต่เพียงว่าเสยแอบย่องออกจากบริเวณแคมป์ไปกับสาวกะเหลียงพูดเตยต่างไม่รู้ความหมายว่า สาเหตุเพียงแค่พรานดุมย่องหนีออกจากแคมป์ไปพอดรักกับสาวชาวตรงกลางดึกเหตุฉนัยพรานใหญ่จึงตื่นตนกนักและพากันสงสัยอยากจะรู้เหตุการณ์ให้เจ็บชัดขึ้นเกิดจันทร์และบุญคําก็อยู่ในสภาพเดียวกับพวกลูกฮาบ พ, พากันจ้องมองมาที่อาการของพรานใหญ่อย่างพิศวงในระหว่างระพินชัยยานและดาลินซึ่งจ้องตากันเองตะลึงอยู่นักมานุษยาาวิทยาศาดูเหมือนจะได้สติก่อนทุกคน ความชราดได้ฉับไวต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าทำให้หลอนขยุ่มแขนพลานใหญ่กับชายยันไว้คนละข้างกระซิบมาเร็วปืออย่าเพิ่งพูดอะไรออกไปทั้งสิน้นประเดี๋ยวปั่นป่วนใหญ่เข้าไปพูดกันข้างในเต็นเถอะพินนึกออกตามคำพูดของหลอนในทันทีนั้นหันกลับมาทางพลานกู้ใจของเขาทั้งสามไม่เอ่ยคาใดทั้งสิน้นแต่โบกมือเป็นสัญญาณเรียกให้ตามเข้าไปในกระโจมพักของนายจ้าง และเดินตามหลังชัยยันกับดาลินเข้าไปในเต็นท์โดยเร็วเกิดจันทร์และบุญคําก็วิ่งตามเข้ามาอย่างไม่รู้เรื่องแต่ทุคนหน้าตื่นเลือกระลแม้จะไม่เข้าใจความหมายอะไรต่างก็รู้โดยสัญชาตญาณว่ามันน่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นเสียแล้วในเต็นท์ทุกคนเข้าไปชุมนุมกันอยู่ต่อหน้าเชืฐ้าซึ่งขณะนี้นั่งหน้าตื่นอยู่บนเตียงสนามชายยันเป็นคนบอกให้หัวหน้าคณะทราบในเหตุที่เกิดขึ้น ด้วยคําพูชนิดลิ้นพันกันแทบจะฟังไม่ได้สับภายหลังจากซักถามเพียงสองสำคำเชษฐาก็พอจะจับใจความได้ว่าอะไรเป็นอะไรราชสกุลหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะแทบจะพังะไปเช่นกันของหันไปทางลบพินพวกพานทั้งสี่คนยังไม่รู้เรื่องในหมู่บ้านผู้เตยใช่ไหมครับจอมผ่านรับแผผๆเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายผมยังไม่ได้บอกตั้งใจไว้ก่อนว่าจะบอกให้รู้เรื่องล่วงหน้าเหมือนกัน แต่ลืมเผลอหลับไปเสียใครเป็นคนเห็นเสยครั้งสุดท้ายเกิดครับพร้อมกับบอกและพิณพยักหน้าเรียกเกิดให้เข้ามาใกล้เชษฐาเกิดยังมีสีหน้าตื่นงงไม่รู้เรื่องอยู่เช่นนั้นอันเป็นอาการเดียวกับจันและบุญคำซึ่งนั่งยองๆ อ, อยู่กับพื้นห่างออกไปเล็กน้อยทางประตูเต็นท์ขณะนี้ได้แต่มองดูหน้ากันไปมาเบื้องหลังของทุกคนแง่าซายยืนตั้งงานฟังเรื่องราวอยู่อย่างสงบ ด้วยตา อ, อันเบิกโพรงเกิดเล่าไปให้ละเอียดสิแกเห็นเสยออกจากแคมป์ไปกับใครเสรยมาปลุกผมไม่ช่วยอยู่ยามแทนครับบอกว่าสาวมาหาจะออกไปคุยด้วยจะกลับตอนใกล้ลุ่งแกตื่นขึ้นมาแล้วเสยก็ออกจากแคมป์ไปครับแกเห็นผู้หญิงมาคอยรอรับเสยอยู่ด้วยหรือเปล่าตอนที่เสยออกไปนะ่ะเกิดนิ่งคิดอยู่รูุ่ ผมไม่แน่ใจครับนายใหญ่ตอนนั้นผมตื่นขึ้นมางัวงเงียมองอะไรไม่เห็นชัดนักได้ยินเสียงมันบอกว่าสามารอคอยอยู่ชวนให้ไปที่หมู่บ้านคับคล้ายคับคลายอยู่เหมือนกันว่าจะเห็นลับรับล่อๆอยู่หลังพุ่มไม้นอกกองไฟแต่ตอนที่เสยออกไปผมได้ยินเสียงพูดกันพุมพันแล้วก็มีเสียงผู้หญิงหัวเราะมันหยอกกันอยู่หลังพุ่มไม้อยู่พักหนึ่งแล้วก็คงจะชวนกันเดินไป ชยยันกับดาลินคลางอะไรอยู่ในลำคอส่วนเชี่ยถาจ้องไปศบตาระพินแล้วซักเกิดมาอย่างคาดคั้นแกแน่ใจหรือว่าได้ยินเสียงคนฉันหมายถึงเสียงผู้หญิงคนนั้นเกิดชักลังเลยิ้มแห้งๆเอผมว่าผมได้ยินนะครับไม่เห็นตัวมันก็จริงแต่ได้ยินเสียงมันคุยกันหนุงหนิงหัวร้อคิกๆตรงหลังพุ่มไม้ใหญ่นั่น ตามปกติเวลาอยู่ยามจะต้องอยู่กันคู่สองคนเสมอไปไม่ใช่หรือใครเป็นคู่ยามกับเซยแล้วพินตอบแทนมาโดยเร็วว่าลูกหาบชื่อเจ้าปงครับแต่สอบไม่ได้ความอะไรเลยเพราะปรากฏว่าเซยอยู่ยามในขณะนั้นเพียงคนเดียวบอกให้เจ้าปงนอนเจ้านั่นก็หลับไปนานสักเท่าไหร่แล้วที่เซยแอบหนีออกจากบริเวณแคมป์ไปราวใกล้เที่ยงคืนครับ รวมสองชั่วโมงแล้วเกิดตอบเชิฐาเม้มปากทอดสายตาจับนิ่งไปยังพรานใหญ่อีกครั้งพูดแผ่วต่ำมันคืออะไรกันนี่คุณให้คำอธิบายได้ไหมภายหลังจากไคร่ครวนอยู่อึดใจเดียวพรานใหญ่ก็ฝืนยิ้มบอกมาด้วยเสียงที่บังคับให้เป็นปกติว่าก็คงจะไม่มีอะไรหรอกครับเจ้าเสยอาจจะเป็นคนเจ้าชู้อยู่สักหน่อยมันเคยติดพันชอพอยู่กับสาวกะเลียงในหมู่บ้านผู้เตยก่อนแล้ว ตอนที่เรามาตั้งแคมป์อยู่นอกหมู่บ้านที่นี่เสยก็มีท่าทางกระวนกระวายอยู่แล้วเข้ามากลิ้มกะเหลียกับผมอ้อนวอนที่เข้าไปตั้งแคมป์ในหมู่บ้านเพราะตัวเองอยากจะพบปะกับนางคนนั้นพอตอนดึกขณะที่ตนเองอยู่ยามทนร้อนใจอยู่ไม่ไหวเพราะรู้ร่วงหน้าว่าเราจะพักอยู่แถวนี้คืนเดียวรุ่งขึ้นจะเดินทางต่อก็เลยแอบย่องเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นในหมู่บ้านส่วนที่บอกว่าผู้หญิงมารอคอยรับนั้น คงเป็นเรื่องที่กุขึ้นโกหกเกิดและเกิดก็หูฝาดอุปทานได้ยินเสียงขึ้นเองอันเนื่องมาจากเจ้าเสยบอกไว้ผู้กองคุณสันนิษฐานได้สมเหตุสมผลที่สุดแต่ความรู้สึกของผมนะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเสร็จแล้วชยันเอ่ยมาด้วยเสียงกระซิบและไอ้ความรู้สึกแท้จริงของคุณมันก็ไม่ใช่อย่างที่คุณพูดด้วยคิดดูหมู่บ้านนั่นห่างจากที่นี่เพียงนิดเดียวเท่านั้น สมมติว่าเสยไปที่นั่นและไปเห็นอย่างที่เราเห็นเขาก็น่าจะกลับมาแล้วแต่นี่เสยหายไปสองชั่วโมงแล้วจอมพรานนิ่งคุณจะเอายังไงหัวหน้าคณะถามแม้จะอยู่ในอาการสงบเยือกเย็นตามบุคลิกก็ยังเห็นได้ชัดว่าเขาตื่นเต้นกัะวนกวายไม่น้อยไปกว่าทุกคนผมจะออกไปตามเดี๋ยวนี้แหละครับเข้ามาเรียนให้คุณชายทราบเสียก่อน ฉันกับชายยานจะไปกับคุณด้วยจะได้รู้ออกไปชัดกับตาว่าอะไรมันเป็นอะไรดาลินบอกโดยเร็วด้วยเสียงก้าวๆ่าในทันทีที่เข า, เ ก, ากล่าวจบวางเลเฟื่ลงหันไปคว้าลูกซองแบบปั๊มแอคชั่นและเข็มขัดกระสุนขึ้นคาดเอวอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็ช่วยแฝดเฉาก็ช่วยแฝดซาวเออร์ขึ้นมาหักลำกล้องตรวจดูกระสุนที่บรรจุอยู่แล้วจบพระเครื่องที่ห้อยคออยู่ขึ้นเหนือศีรษะอาราธนาแล้วพินเหลือไปที่ดาลิน แล้วเปลี่ยนสายตาไปอย่างเชีฐถาเหมือนจะขอความเห็นหัวหน้าคณะก็พยักหน้าบอกมาว่าให้น้อยกับชา ย, ยันไปกับคุณด้วยดีเหมือนกันผมเจ็บใจไอ้เรื่องขานี่นักไม่งั้นก็คงได้ไปด้วยอีกคนหนึ่งไปเถอะแล้วพินผมเป็นห่วงเสยเหลือเกินจะต้องไปตามมันทำไมเสียเวลาครับเจ้านายสังสารหน่อยเสยก็กลับมาเองแหละมันรู้จักพวกเตยดีทุกคนไม่มีอันตรายเลยหรอก ผู้นี้มันกลับมาผมจะเตะมันเองค่าที่แอบหนีไปบุญําผู้ไม่เข้าใจความหมายพูดพึมพวมออกมาอย่างงงงคณะนายจ้างมองตาการงานไปอีกครั้งแล้วส่งสายตารวมจุดไปอย่างพรานใหญ่และพินกับซิบมาว่าผมจะเอาสามคนนี้ไปด้วยครับและจำเป็นที่จะต้องบอกให้เขาพวกเขารู้ความจริงเชษดถาไปยักหน้าบอกให้รู้กันเฉพาะพรานของคุณเท่านั้นอย่าให้แววไปถึงพวกลูกหาเป็นอันขาด พลานใหญ่ถอยห่างจากเตียงของหัวหน้าคณะเรียกคนของเขาทั้งสามคนเข้าไปรวมหัวซุปซิบบอกความจริงให้ทราบถึงเรื่องการล้างของหมู่บ้านพุทเตยซึ่งขณะนี้มีศพกาดเกลือนพอรู้ความโดยตลอดเกิดก็ร้องลั่นออกมาอย่างตกใจงายหลังจากท่าที่นั่งยองๆ อ, อยุจดจ้ำบ้าวลงกับพื้นส่วนจันทร์กับบุญขามหน้าซีดไม่มีสีเลือดหัวใจของพรานพื้นเมืองทั้งสาแทบจะหยุดเต้นลงในบัตรนั้น ไอ้เซยเคราะร้ายเสียแล้วบุญคำอุทธธานออกมาเสียงสัน่นแล้วทั้งสามก็เงียบกลิบลงในทันทีนั้นไม่มีใครปริบปากพูดคำใดอีกเพราะสายตาปรามของพรานใหญ่ที่จ้องบังคับมาให้สงบปากคำไว้เขาหันไปเห็นแง่ทายยืนนิ่งอยู่ก็ออกคำสั่งโดยเลยว่าแง่ายแกคอยดูแลนายใหญ่และคุณบริเวณแคมป์ทั้งหมดไว้จนกว่าฉันจะกลับมาแกรู้ดีอยู่แล้วว่าแกควรจะทายังไง ครับผู้กองโปรดอย่า ก, กังวลทางนี้อึดใจต่อมาทุกคนนอกจากเชิฐากับแง่ทรายก็พูดออกมาข้างนอกกระโจมบุญคำแล่นเข้าไปคว้าย่ามละวะตักข้าวสารในกระสอบใส่เข้าไปสองกระป๋องใหญ่ๆเหวี่ยงไรเฟิลขึ้นบา่ากระชากมีดหมอลงอกคมอันยาวขนาดช่วงแขนออกจากฝักไม้แล้วยกขึ้นจบเหนือหัวพุ่มพัมสวดท่องคาถาส่วนจันและเกิดเตรียมใต้เน็บหลังไปหลายอัน และพินก็กระโดดขึ้นไปยืนบนตอไม้ประกาศกับพวกลูกหาบที่กำลังนั่งจับกลุ่มตื่นตนกกันอยู่เป็นการอำมพรางกบเกลื่อนว่าเสยมีอริบาทหมางกับพวกผู้เตยย่องตามผู้หญิงเข้าไปในหมู่บ้านเพียงคนเดียวอาจเกิดอันตรายขึ้นเราจะไปตามเสยกลับมาขอยทุกคนสงบเป็นปกติอยู่ในปางพักพวกลูกหาบทุกคนเชื่ออย่างสนิทไม่มีใครระแวงสงสัยอะไรต่อไป แลผ้ผพนสั่งให้ในายเมยอจัดยามเฝ้าดูแลแคมป์แล้วไยักหน้ากับพรานของเขาซึ่งบัดนี้เตรียมพร้อมพาการเดินออกนอกบริเวณโดยเร็วชายยันกับดาลินตามมาติดๆรวมเป็นห้าคนพรานใหญ่ไม่ลืมดึงมีดเดินตา่าเล่มยาวจากพวกลูกหาคนหนึ่งติดมือมาด้วยส่วนไรเฟิลสะพานกับไรตำแหน่งแรกที่เขาตรงเข้าไปก็คือหลังพุ่มไม้ใหญ่ที่เกิดชี้บอกว่าเสยเดินลับหายเข้ามา แล้วได้ยินเสียงหัวเราะต่อกับซิกกับผู้หญิงจากแสงไฟฉายที่ช่วยกันกาดส่องไปรอบๆพบว่ามีรอยเท้าของเสยเดินย่ำวนเวียนอยู่ตรงตำแหน่งนั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีรอยเท้าอื่นใดอีกเลยเกิดซุดตัวลงนงั่งพิจารณารอยเหล่านั้นด้วยตาอันเหลือกลานมองหาไปรอบๆผงแล้วเงยหน้าขึ้นให้เจ้าหักคอสิครับผมได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่หลังพุ่มไม้นี่จริงๆและไอ้เสยก็ย่องมาตรงนี้ด้วย แต่ทำไมถึงไม่มีรอยตีนของผู้หญิงมีแต่รอยของไอ้เสยคนเดียวก็เพราะความจริงมันไม่มีผู้หญิงที่ไหนมาอยู่ตรงหลังพุ่มไม้นี่นะสิมันถึงไม่ได้มีรอยตีนแล้วหินขัดขึ้นห้าวห้าแล้วทําไมเส่ยถึงเข้ามาเดินวนเวียนอยู่ตรงนี้มันเป็นที่เดียวกับที่เกิดได้ยินเสียงผู้หญิงพูดคุยกับเสยเสียงชายยันกระซิบมาเบาที่สุดจอมพรานไม่ตอบเพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรถูกเหมือนกัน ดาลินเอื้อมมือมาตบไหล่เกิดผู้นั่งตรวจรอยอยู่แล้วดึงให้ลุกขึ้นอย่ามัวสงสยัยค้นหารอยผู้หญิงคนนั้นอยู่เลยเกิดหูฝาดไปเองต่าหากที่ได้ยินเสียงเสยพูดอยู่กับใครอยู่หลังพุ่มไม้นี่ความจริงมันมีแต่เพียงว่าพอออกจากบริเวณแคมป์เสยก็เดินตรงมาตรงนี้เป็นแห่งแรกเท่านั้นตอนที่เสยปลุกเกิดให้เดินมาอยู่ยามแทนโดยบอกว่าจะออกไปหาผู้หญิงเกิดก็ควรจะรู้สึกผิดปกติและห้ามเขาไว้แล้ว มีอย่างหรือดึกสงัดกลางป่าออกไปนอกบริเวณแคมป์ได้อย่างไรกันคนเดียวมันอันตรายสารพัดอย่างเกิดก็น่าจะต้องรู้ดีท่อนายหญิงครับผมไม่เฉลียวคิดอะไรเลยจ น, นิดเดียวก็รู้อยู่ว่าแคมป์เราใกล้กับหมู่บ้านเพียงแค่นี้ไอ้เสยก็ชนานาญทางดีหลับตาเดินได้แล้วก็รู้จักพวกผู้เตยทุกคนใจของไอ้เสยมันอยากจะย่องเข้าไปหาหนางนั่นที่หมู่บ้านตั้งแต่เย็นแล้ว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแกล้งหลอกผมหรือเปล่าที่บอกว่านางยักษ์ขินมาดั้มดมเรียบเคียงอยู่ใกล้แคมป์ของเราแต่หูผมได้ยินมันพูดกันหนุงหนิงอยู่ตรงหลังพุ่มไม้นี่ผมไม่รู้มาก่อนว่าผู้เตยมันกลายเป็นบ้านผีไปหมดแล้วถ้ารู้ร่วงหน้าก็คงได้ฉุดไอ้เสยไว้ถึงมันเองก็เหมือนกันคงไม่อุตริย่องตามอีผีดิบนั่นไปเพราะไม่รู้ตัวแท้ๆทีเดียวไอ้เสยถึงถูกมันหลอกไปหาลงตายหมดทั้งหมู่บ้านแบบนี้ผีมันแรงนัก ป่านนี้ไอ้เฉยถูกล้วงไส้ออกมาเสียแล้วก็ไม่รู้มันคงลุมกินกันสนุกไปเกิดพูดเสียงเครือเหมือนจะร้องไห้แล้วผินตวาดมาเบาๆฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าผีสางที่ไหนมี